ดีแล้วคุณหมอเคอยรู้เล่นๆนะดีแล้วเคยรู้ไปเรื่อยๆสบายๆนะปล่อยให้หมดเลยอย่าบังคับมันเคยฝึกมาจากไหนเทวดที่จังหวัดปาเ ข, ขงงาธรรมน่าอยู่จังหวัดอะไ ร, นะรอยู่ที่กำลั อ, อาจารย์อะไรนะหลวงพ่อปุณเลยอ๋อแล้วทางนี้ละ่ะฝึกมาจากไหนกัน แเอาใครเคยฝึกมาบ้างที่มามาันฝึกมาอย่างไหนอดีนะคุณผู้ชายนั่นแหละเคยฝึกไหมไม่เคยเลยเหรอนี่แหละคุณแม่สิดีฝึกไว้นะยังไงก็ได้เอาสักอย่างขนะทงคุณเคยมาแล้วภาวนาเป็นไงอยากจิตดเดียอว ให้รู้สึกเอานะวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่คิดเอามีปัสสนาให้รู้สึกเอารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าใจลอยไปนะวิธีมันมีความสุขว่าถูกบังคับเออย่าไปบังคับมันนะคือสิ่งที่ผิดมันมีนมสองนั้นวิธีปฏิบัติที่ผิดคือความสุดโต่งสองด้านความสุดโต่งอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขัอ ร, ริการุโยค เป็นการที่จิตเราเนี่ยมันหลงมันไหลไปหาอารมณ์ภายนอกนะหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเที่ยววิ่งไปหาอารมณ์ไปเรื่อยมันกล่าวว่าถ้ามันได้อารมณ์ที่ดีแล้วมันจะมีความสุขแล้วนะพอไปเจออารมณ์ที่เป็นทุกข์นะมันก็พยายามหนนะีนี่คือความสุดโต่งอันแรกนะการสุดโต่งไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่ดีเที่ยวหนีอารมณ์ที่เลวนะจิตใจของคนทั่ ว, วไปของคนที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัต แระทั้งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันคือวิ่งหาอารมณ์ที่ดีวิ่งหารูปสวยๆมาดูหาเสีย ง, งเพราๆมาฟังนะหาอารมณ์ที่พอใจนันการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตใจละโมั ว, วิ่งตามอารมณ์ภายนอกไปเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้เมื่อไรรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสนาละในวิปัสนาเนี่ย ต้องคอยรู้กายรู้ใจตัวเองไหมรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะปล่อยใจจะวางใจจะเบาสบายนะมันปล่อยแล้วมันเบาไม่มีภาระทางใจนี้ใจของคนทั่วๆไปจะหลงไปทางทวารทั้งหกหาอารมณ์ทางทวารทั้งหกที่พอใจตลอดเวลาขณะที่มันวิ่งไปดูนะพวกเรานองนึกดูคนที่ไม่เคยมาเรียน ขณะที่เราไปมองคนอื่นเราเห็นคนอื่นชัดเจนแต่เราลืมตัวเองตรงนี้นึกออกไหมเราเห็นคนอื่นเราไปดูเขาปุ๊บใจเราวิ่งไปอยู่กับเขาเห็นหมดเลยผู้หญิงผู้ชายมารู้หมดเลยแต่เราจะลืมตัวเราเองนะเวลาได้ยินเขาคุยกันตั้งใจฟังเขาคุยกันรู้เรื่องที่เขาคุยกันแต่ขณะนั้นเราก็จะลืมตัวเราเองขณะนั่งคนเดียวเราก็นั่งคิดไปเรื่อย บางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีไม่รู้เรื่องที่คิดแต่สังเกตไหมขณะที่เราไปรู้เรื่องที่คิดนะเราก็ลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจของเราเองสังเกตนะลองหัดดูใจเราจะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจจะหนีไปเรื่อยๆนี่คือทางผิดอันที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำํำคือความหลงไปตามอารมณ์ทางภายนอกทั้งหลายนั่งฟังตัมมาพูดสังเกตไหมเดี๋ยวมองหน้าตัมมาหน่อยนึง เดี๋ยวฟังอาตมาพูดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมตรงเนี้ยสังเกตออกไหมชาวยุวะพุทธเดี๋ยวก็ฟัง mm. เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังก็คิดสลับไปสลับมาไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะเดีย๋ยฟังไปคิดไปสังเกตให้ดีนี่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็จิตของเราไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตมันดีไปคิดรัว่านีไปคิด ถ้าเมื่อไรมันไปฟังรู้ว่ามันไปฟังเมื่อไหรมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยจะตื่นขึ้นมาฉับพลันรู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะมีคนในโลกไม่รู้สึกตัวเพราะมัวแต่หลงอยู่กับโลกของความคิดมัวแต่รู้เรื่องภายนอกหรือไปรู้เรื่องที่คิดเอาเองครูบาอาจารย์วัดป่าบางทีท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกมัวแต่ไปดูคนอื่นมัวแต่ไปฟังคนอื่นนะ มัวแต่ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปสัมผัสมัวแต่คิดก็รู้รูปเสียงกลิ่นรสปุถะรู้ความคิดนึกภายนอกทั้งหมดเลยแต่ลืมกายลืมใจตัวเองนี่คือความสุดโตอันที่หนึ่งที่ห้ามทำทําแล้วจะไปไหนทําแล้วจะไปทุกขติใจจะวิ่งหาความสุขไปก็หาด้วยโลภะพอหาแล้วไม่เจอโทสะก็เกิด ตรงที่หลงเที่ยวหาไปแล้วไม่รู้ว่าหลงไปหาไปนั่นก็คือโมหะจิตฟุ้งซ่านไปงั้นใจก็จะหลงอยู่กับกิเลสมีโมหะมีโลภามีโทสะหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันงั้นตายไปก็ไปอาบายนี่ทางสุดตรงทางที่หนึ่งหลงตามอารมณ์ไปอยู่ดีๆก็นั่งคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมกายลืมใจนะงั้ น, น, นจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะ ตรงนี้เข้าใจไหมตามทันไหมใครไม่ทันใครไม่ทันยกมือให้ดูหน่อยกล้าหาญนะไม่รู้เรื่องต้องบอกนะเดี๋ยวหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะย่ําแยนะ่แต่ไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาซีดีไปฟังเอาเองมีคนฟังซีดีแล้วตื่นขึ้นมาเยอะแล้วนะฟังไปเรื่อยๆงั้นสิ่งที่ผิดอันแรกคือความสุดโต่งไปข้างหลงข้างเผลอตามอารมณ์ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็เผลอไปคิดนึกทั้งหลายนี่หลงไปความสุดโต่งอันที่สองไม่ว่าอัตตาเคลิมัทานิยกการบังคับตัวเองกดข่มตัวเองทำตัวเองให้ลำบากอันนี้คนทั่วๆไปเขาไม่ค่อยทำแต่พวกนักปฏิบัติจะชอบทำเราเคยหายใจสบายๆก็หายใจให้มันผิดธรรมชาติเคยเดินสบายๆก็เปลี่ยนท่าเดินเคยนั่งสบายๆก็เปลี่ยนท่านั่ง นี่บังคับกายบังคับใจก็มีนะใจเผลอไปพยายามมห้ามไม่ให้เผลอบังคับจะให้มีสติสติมบังคับให้เกิดไม่ได้หรือความโกรธเกิดขึ้นมาหาทางละมันบางคนก็พุโทโธพุทโธอยาให้หายโกรธบางคนกําหนดลมหายใจอยาให้หายโกรธบางคนแผ่เมตตนะานกระให้หายโกรธบางคนบริกรรมโกรธน้อโกรธน้ออยาให้หายโกรธ ถ้ามุ่งไปแก้ไขนะมุ่งไปจัดการมุ่งไปดัดแปลงแล้วก็นี่เป็นความสุดโต่งที่สองในข้างบังคับตัวเองถ้าบังคับตัวเองเราจะทำวิปั ส, สนาไม่ได้เพราะวิปั ส, สนาเนี่ยคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับเขาถ้าเรารู้กายตามที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยกายเป็นยังไงกายไม่เที่ยงนะอย่างอิริยาบถอยู่ใดอิริยาบถหนึ่งตั้งอยู่ไม่ได้นาน ต้องเปลี่ยนอิริยาบถหรือหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกแก้ทุกข์ไปแล้วก็จะทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อีกใช่ไหมมีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอุตส่าห์หายใจนี่ก็เพื่อจะแก้ทุกข์นะเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆมันเมื่อยเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์อีกและ กายมันมีแต่ความทุกข์ถ้ามีสติมีปัญญาคอยรู้อยู่ที่กายกเห็นกายมันเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปกายก็จะแสดงธรรมะให้ดูมีสติคอยรู้กายกายแสดงธรรมะให้ดูแสดงไตรลักษณ์นั่นเองแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ไดนะ้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชากายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวคนตัวสัตว์เนี่ยเป็นวัตถุนะเป็นก้อนธาตุนี่เรื่องอนัตตาเพราะฉะนถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเรื่อยๆไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับการไปบังคับมันเลยตามรู้ไปอย่าใจลอยไปที่อื่นแล้วก็อย่านั่งเพ่งกายไว้บางคนชอบเพ่งกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจนั่งเพ่งก็คือนั่งควบคุมนั่งบังคับนั่นเอง ใจลอยไปเผลอที่ลืมรู้กายก็คือหลงไปสุดโตกข้างหลงนั่งเพ่งกายเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งตัวทั้งตัวนี่สุดโตกไปข้างบังคับตัวเองกายก็จะทื่อๆใจก็จะทื่อๆกิดธรรมชาตินี่ถ้าเราไม่สุดโตกสองข้างเนี่เรารู้อยู่ที่กายกายจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูไม่ต้องไปคิดเรื่องไตรลักษ์หรอกไตรลักษ์จะแสดงเองต่อหน้าต่อตานี่เอง เนี่ยใจของเรามันไม่ยอมรับธรรมะธรรมะถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจนั่นแหละจะสอนธรรมะเราเองมาฟังอาตมาพูดเนี่ยธรรมะของปลอมนะมันธรรมะจริงของอาตมามันปลอมของพวกเราพวกเราฟังแล้วได้อะไรติดตัวไปหรือไมได้ความจําติดตัวไปเท่านั้นเองไม่ใช่ความจริงนะ ความจริงต mm ้องอยู่ที่ตัวเราเองดูลงที่กายดูลงที่ใจของเราเองกายกับใจนั่นแหละจะแสดงธรรมมของจริงให้ดูของจริงก็คือเขาไม่เที่ยงนะอย่างจิตใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจเป็นทุกข์นะคือทนอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดไปไม่ได้จิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ยังสั่งให้สุขตลอดไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ สั่งให้รู้สึกตัวก็ไม่ได้สั่งห้ามเพล่อก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเฝ้ารู้ลงที่ของจริงก็จะเห็นของจริงเห็นธรรมะของจริงนะเพราะงั้นธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองอย่าเที่ยวแสวงหาธรรมะภายนอกธรรมะภายนอกมาฟังอาจมาพูดมาฟังครูบาอาจารย์วัดโน้นวัดนี้หรืออ่านตำรับตาราอะไรเนี่ยเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นเองเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วถ้าวิธีนั้นถูกต้องนะก็คือการที่เราจะต้องค่อยรู้สึกตัวขึ้นมา อย่าเผลอไปอย่าใจลอยอย่ามานั่งเพ่งเอาไว้อย่าบังคับไว้รู้สึกตัวขึ้นมาไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้แล้วก็รู้สึกลงที่กายกายจะแสดงใจรักรู้สึกลงที่ใจใจก็แสดงไตรักรู้สึกไปเรื่อยซ้ำซ้ำซ้ำแต่ใจของเราจะปฏิเสธใจรักตลอดเวลาอย่างเรารู้กายกายเป็นทุกข์เราไม่ชอบเลยอยากให้มันสุข กายมันไม่เที่ยงนั่นเองมันจะต้องแก่ตีนกาจะต้องขึ้นอย่างเงี้ยไม่ชอบนะอยากให้มันไม่ขึ้นอยากบังคับมันให้ได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจไม่ดีอยากให้ดีเราปฏิเสธใจรักษเราปฏิเสธธรรมะจิตใจมีความสุขอยากให้มันถาวรเี่ยปฏิเสธธรรมะอีกแล้วแล้วธรรมะของจริงคือไม่เที่ยงเหมือนทุกบังคับไม่ได้ ใ, ใจที่ปฏิเสธธรรมะแล้วเมื่อไหร่ธรรมะจะเข้าสู่ใจเข้าไม่ได้เพราะเราปฏิเสธเราจะเอาแต่ของที่เที่ยงเที่ยงจะเอาแต่สุขจะเอาแต่สิ่งที่บังคับได้เหมือนเฝ้ารู้ลงไปรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจซ้ำไปซ้ำมานะดูอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตดูไปนะกําลังยินรียแก่กล้าเมื่อไหรนะ่สติสมาธิปัญญากล้าเมื่อไหรนะ่ใจจะยอมรับความจริง ใจยอมจำนนกับธรรมะแล้วซีโรราบกับธ ร, รมะนะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกนะบังคับไม่ได้นะใจยอมรับอย่างนี้ใจจะเลิดิน้นจิตใจของเราทุกวันนี้มันดินไปเรื่อยมันดินหาสุขมันดินนีทุกเท่านั้นเองกายเป็นทุกก็ไม่ชอบยให้มันสุขจิตจะให้มันดีถาวรจิตช่วยัวไม่ชอบออย่างนี้จิตจะต้องสุขด้วยจิตทุกก็ไม่ชอบ หาทางดินไปเรื่อยๆดินจะเอาดีดินจะเอาสุขดินจะเอาดีจะหาสิ่งที่เที่ยงเที่ยงเช่นดีทเที่ยงเที่ยงดีถาวรทั้งๆที่มันไม่มีถาวรเนี่ยพอเราเฝ้ารู้ไปะหัดเจริญสติจเจริญสัญญาเฝ้ารู้เฝ้าดูแหมจิตใจค่อยปลอดปลงโล่งเบาสบายมีความสุขมหาศาลเลยนะต่อมาทั้งๆที่ปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละ จิตที่เคยดีกลายเป็นจิตที่แย่ไปแล้วเสื่อมเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยเสื่อมต่อหน้าต่อตายอย่างนั้นเจริญขึ้นมาแล้วก็เสื่อมเจริญขึ้นมาแล้วก็เสื่อมอาจารย์สิงห์ทองใหใครๆได้ยินชื่ออาจารย์สิงห์ทองอาจารย์สิงห์ทองบอกว่าจิตนั่แหละของเสื่อมจิตมันเป็นของเสื่อมทําให้มันดีขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมแต่พวกเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูไปเรื่อยนะ เั็นสุดฝีมือเลยตามรู้ตามดูไปเรื่อยวันหนึ่งมันจะพบว่าทั้งๆ ท, ท, ที่ทำเต็มที่แล้วมันยังเสื่อมได้อีกนะถ้าเห็นซ้ำซ้ำซ้ำอย่างี้ในที่สุดใจยอมรับข้อเท็จจริงจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้พอรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรามันจะปล่อยทิ้งนะปล่อยวางจิตที่มันปล่อยความยึดถือในกายปล่อยความยึดถือในตัวจิตไปแล้วมันหมดภาระนะมันหมดการดิ้น ทุกวันนี้ดิ้นเพราะว่าอยากให้มันดีใช่ไหมมีการดิ้นรนทํางานทางใจนี่เรียกว่าการสร้างภพเ บ, บื้องหลังของภพคือตัณหาอยากจะสุขอยากจะดีอยากจะพ้นทุกข์มีตัณหาแล้วก็สร้างภพคือเกิดความอยากขึ้นมาก่อนแล้วก็เกิดการทํางานทางใจเช่นทํากรรมฐานเป็นต้นอยากให้มันดีหาทางทําโน้นทํานี่ไปใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆนี่พอเรามีสติปัญญารู้ความจริง กายนี้ใจนี้เป็นใจรักนี้นะความอยากมันจะสลายไปอย่างเราอยากให้กายเป็นสุขถาวรนี่เรารู้ว่ามันไม่ถาวรหรอกมันก็เลิกดิ้นรนจิตใจเ้วอยากให้ดีถาวรเรารู้มันไม่ถาวรหรอกมันก็เลิกดิ้นรนที่จะเอาดีดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาแต่ไม่ชั่วนะเพราะชั่วเนี่ยถูกกิเลสยอมเอาถ้ามีสติอยู่กิเลนมีไม่ได้ชั่วไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เอาดี ภาระทางใจก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงจิตใจก็เบาสบายนะปลอดโปร่งรุ่งเบากว้างขวา ง, วางไม่มีขอบมีเขตอะไรใจของเราทุกวันนี้เหมือนอยู่ในที่แคบแคบรู้สึกไหมพวกนักปฏิบัติเหมือนใจเราถูกขังไว้ในกลงเล็กๆอันหนึ่ง อ, อึดอัดนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเหมือนอยู่ในไหกระเทียมท่านคนอีสานนะเหมือนอยู่ในไหปลาแดกเ ใจิตใจเราคล้ายๆถูกขังอยู่ในที่จํากัดเฝ้ารู้เฝ้าดูวันหนึ่งเป็นอิสระขึ้นมาบ้างขวางหน้าที่ของเราคือคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่เพ่งใจไม่ใช่กําหนดนะกําหนดเป็นแค่อุบายเบื้องต้นเท่านั้นหน้าที่คือตามรู้อย่างที่เขาเป็นง่ายใครรู้เรื่องมั่งรู้เรื่องไหมสองคนเนี้ย สองสามคนเนี้ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะอาตมาไม่ได้พูดให้ฟังรู้เรื่องอาตมาพูดแล้วเพื่อกระตุ้นพวกเราท่านเองให้ย้อนกลับเข้ามารู้สึกตัวนะสังเกตอยู่ที่ใจเรานะใจเราไม่เคยเหมือนกันสักเวลาหนึ่งอย่างลองคิดดูสิจิตใจของเราขณะ น, นี้กับจิตใจของเราเมื่อวานนี้เหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหม จิตใจของเราตอนนี้มันนิ่งๆตอนที่ตื่นนอนใหม่ๆกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันจิตใจของเราตอนนี้นิ่งๆใช่ไตอนที่นั่งรถมาที่วัดนี้กับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันตอนที่ทานข้าวกับตอนเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันหัดรู้หัดดูความเปลี่ยนแปลงไม่เคยเหมือนกันหรอกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่างตอนนี้ที่ว่านิ่งๆเริ่มไม่นิ่งอีกแล้วส่วนใหญ่จิตหนีไปหมดแล้วรู้สึกไหม <c oughs> คอยเฝ้ารู้เฝ <c oughs> ้าดูของตัวเองนะมาเยอะหลวงพ่อดูให้ไม่ทันต้อ <c oughs> ช่วยตัวเองช่วยไม่ได้นะมาทีหลังพวกนี้มา ก, ก่อนก็ง่ายหน่อยตูนเป็นไงรู้สึกตัวไหมรู้สึกเรื่อยๆนะ คุณนี่ทำอะไรอยู่เมื่อกี้เนี่ยแต่กี้นี่ทำอะไรทราบไหมรู้สึกไหมเรายัางบังคับตัวเองอยู่เออเลิกสะนะตรงนั้นที่ผิดบางคนบอกรู้สึกตัวกระดูกระดิกรู้สึกหมดเลยเนี่ยกำลังบังคับไวนะ้บังคับให้รู้สึกใช้ไม่ได้นะความรู้สึกตัวที่แท้จริงเกิดขึ้นเอง สติตัวจริงเกิดขึ้นเองนะไม่ใช่สั่งให้มันเกิดแล้วมันเกิดได้ถ้าสั่งให้เกิดแล้วมันเกิดได้สติเป็นอัตาเนี่ยสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ถ้าสติมีเหตุนะสติจะเกิดเหมือนความโกรธเหมือนกันความโกรธนะห้ามมันก็ไม่ได้มันจะเกิดมาแล้วละมันก็ไม่ได้ถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดถ้าหมดเหตุมันก็ดับสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าเราตามรู้ตามดูเราจะรู้เลย สภาวะธรรมทั้งหลายถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าหมดเหตุก็ดับไปเหตุที่เกิดความโกรธอย่างเหตุของความโกรธเนี่ยก็คือเรามีอนุสัยมีนิสัยขี้โมโ oh. หแล้วเราก็ไปกระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าเรากระทบอารมณ์ไม่ดีแล้วเราคิดด้วยนะเราคิดต่อเราไปตรึกที่เรียกว่าพยาบาทวิตกนะอย่างคนมาว่าเราไปคิดถึงเขาแม้มันว่าเราเนี่ยมีพยาบาทวิตตกขึ้นมาโทสะมันก็เกิดหรืออย่างราคะ จิตของเรามีอนุสัยมีความเคยชินที่จะมีราคาแล้วไปกระทบกับอารมณ์ที่ดีเข้าแล้วเราก็มีกามาวิตกขึ้นมาคิดน้อมไปในกาม ร, ราคาก็เกิดเพราะนั้นถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าหมดเหตุมันก็ดับสติก็เหมือนกันสติก็มีเหตุให้เกิดนะสติไม่ให้เกิดตามยถากรรมนี่พวกเราพยายามไปเดินพยายามหายใจพยายามอะไรหวังว่าสติจะเกิดไม่เกิดหรอก กลายเป็นนั่งเพ่งเอาหมดเลยเหตุที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตนะมันจําสภาวะธรรมได้แม่นยำงั้นถ้ามานั่งเรียนตรงนี้จะพักหนึ่งจะค่อยๆสังเกตเหต็นหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรเยอะหลวงพ่อจะคอยบอกว่าเผลอไปแล้วรู้ไหมแอบไปคิดแล้วรู้ไหมเพ่งอยู่บังคับอยู่รู้ไหมนั่นคือการหัดให้รู้จักสภาวะนั่นเองต่อมาพอเราอยู่บ้านของเราจใจเราเผลอแวบไป หลวงพ่อเคยบอกไปแล้วว่าเผลอเป็นอย่างเงี้พอใจเราเผลอแวบนะสติจะเกิดขึ้นเองเลยมันจะระลึกขึ้นได้เลยอ๋อเผลอไปละสติทําหน้าที่แค่นี้แค่รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นส่วนตัวเข้าใจสภาวะว่าเป็นใจรักเป็นเรื่องของปัญญาสติเป็นแค่ระลึกได้เท่านะั้นว่าอะไรปรากฏขึ้นมาเรี่ยคุณมนเห็นไหมมันหนีไปล้นะมันหนีไปเราก็รู้ทันมันนะคุณเนี้ยหลงไปละ รู้สึกตัวไปไงทำอะไรอยู่ตอนนี้เธอไปคิดแล้วรู้เปล่าเนี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมมันโล่งขึ้นมาเลยมันจะตื่นมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆเพราะฉะั้นถ้าเราเนี่ยไปดูเขาเราลืมตัวเองรู้สึกไหมไหมใจเราลงไปไปหลงทางตาดูเขาปุ๊บเราลืมตัวเองเอาแม่มก็ไปดูเขาลืมตัวอีกคนหนึ่งห น, ะนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหม ในี่ใจเรามันมีแต่จะหลงทั้งวันหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมกูกทางลิ้นทางกายหลงไปทางใจเนี่ยหลงไปคิดเนี่ยขนาดเนี้ยหลงทางใจแล้วนะเมื่อหลงอยู่เราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเนะี่ยอีกพวกหนึ่งละนั่งเพ่งนั่งจ้องหวังว่าจ้องไปเรื่อยๆแล้วจะดีไม่ดีหรอกนะนั่งเพ่งนั่งจ้องมันปิดกั้นการเจริญปัญญาเพราะว่ามันนิ่งไปหมดมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู เผลอไปแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองไปแวบนะลืมกายลืมใจนี้ไปคิดอีกแล้วรู้ไหมคราวนี้ไม่ยองตืง่นเอออยู่ตรงนี้นะไม่ใช่เข้าไปข้างในอย่างเม่ ก, กี้นะอยู่ข้างนอกๆ อ, อย่างนี้แต่หนีไปแล้วอย่างนี้หลงลืมตัวอีกแล้วนะบางคนบอกหลวงพ่อวันนี้ดูดุหนีไปก็ไม่ได้ เคยเห็นวัดทั่วๆไปมาฟังเทศก็นั่งหลับกันหมดเลยพระท่านก็อดทนนะเทศให้สาวฟังโยมโอ้เขารบพระรัตรนตรัยนะเก็นใหญ <c oughs> รห่รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวอะไรก็ไม่วิเศษเท่ารู้สึกตัวนะคุณที่ใส่แว่นเนี้ใจลอยไปแล้วรู้จักไหมรู้จักใจลอยไหมาหันมาทางนี้ทางนี้เกรงเลย นะเมื่อกี้มันหนีไปทราบไหมคุณผู้ชายเนะีนะ่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆอย่าไปจ้องอย่างนั้นนะคุณเนี่ยที่มีตุ๊กตาห้อยคอนี่อยากตะกี้ไม่เอานะอยากตะกี้ก็ผิดจําได้ไหมที่ทำตะกี้นี่จ้องลงไปงั้นนะหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคอยรู้สึกเอาไว้นะรู้สึกไว้ วันนี้เวลาน้อยต้องเรียนรัดเอานะใครฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรมีหนังสือให้อ่านมีซีดีให้ฟังไปฟังเอาเองนะแต่ยังทำอยู่ง่วงดีไหมหนูนานะซึมซึมรู้ว่าซึมไปกรนะดุกระดิกแว้ไปยักหน้ารู้ไหมเออแค่นี้ก็ตื่นแล้วนะแค่ตามรู้มันก็ตื่นแล้วนะคุณพูดเอาเขาด้วยหลงกับเขาด้วยนะ รู้สึกนะ้คุณสุนันวันนี้ทำไมมานั่งหน้าได้มาทีหลังรือไงอ๋อก็คุณสุนันจะปกติจะจองท้างหลัง <c oughs> เป็นคนที่บอกว่าห้ามถามนะห้ามทัก <c oughs> ถ้าไม่ถามไม่ทักนะเราภาวนาได้จูนใจล อ, อยไปละจูน นี่มาจากไหนคนเนี้ยผู้หญิงเนี้ยหนูอ่อแล้วเราเป็นไงบ้างยังทำอยู่หรือเปล่าหือดูออกไห ม, ไมอเอ อ, เ อ, อจิตตอนนี้เป็นไงจิตตอนนี้รู้สึกตัวดีหรือยังว่วงๆแล้วก็ฝืนมันรู้สึกไหม ไม่ใช่ง่วงอย่างเดียวปฏิเสธมันด้วยนะนะพยายามึกไปรู้ทันมันนะรู้ทันไปเอาคุณที่ใจลอยไปแล้วเอาคุณที่ห้อยตุ๊กตาไว้อะรู้สึกตัวไว้อย่างทีกี้ก็เผลอไปแล้วอา้าวมีผู้ชายหลงอยู่นี่ขวดนึงนะมากับใครคนนี้นั่งหลังคุณังน้น เขาชวนมาหรือเขาหลอกมาแล้วหลงพ่อต้องถามก่อนนะบางคนถูกเขาหลอกมาเที่ยวเมืองการแล้วก็มานั่งทุกข์ทรมานฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องของคุณนะคอยต็งเกตใจของเราเองไว้นะใจิตใจของเรานะ่ยมันไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งแต่และ ว, วันนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางวันก็ผ่องใสบางวันก็เศร้าหมอง นี่เราหัดดูทีแรกหัดดูเป็นวันๆกันเมื่อวานซืนกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะทีแรกก็ดูช่วงเวลาที่ยาวๆนิดหนึ่งตรงนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะแต่มาดูให้มันถี่ขึ้นเมื่อเช้าก็อย่างหนึง่งตอนสายก็อย่างนึงนงะกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนหัวค่าตอนดึกเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เคยเหมือนกันเลยค่อยดูไปเรื่อยๆต่อไปก็ดูจะถี่ยิบขึ้นมา รู้สึกเราแต่ละษณะแต่ละษณะมันไม่เหมือนกันหรอกนะคุณผู้ชายเนี้ยรู้สึกไว่อย่างงั้นไม่ได้นะอย่าไปพยายามสังเกตนะของคุณเนี้ยเครื่อสีน้ำเงินเนี้ยนะรู้สึกเลยเรื่อยเคยฝึกมาจากไหนทำไมตื่นเก่ง <laughs> ไม่เคยฝึกเลยใช่ไหมนะคนไม่เคยฝึกจะทำง่ายนะพวกเคยฝึกจะเพ่งเก่ง คนที่ไม่เคยฝึกจะปฏิบัติง่าย อ, อ, อ๋อเฝ้าปอด อ, อ๋อคล้ายๆกันนะลูกชายจะกลับเ ม, นะมืเม่อไหร่ยังไม่มีกหนดเมาอาจจะวันนี้มีาราคอยรู้สึกตัวนะยกจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนเนี่ยเราคอยรู้ทันมันไปแต่ไม่ใช่นั่งเฝ้ามัน ให้มันเผลอไปแล้วให้รู้ว่าเผลอนะให้มันโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธให้มันโลภแล้วรู้ว่าโลภมันสบายใจแล้วก็รู้ว่าสบายใจมันอยากพูดรู้ว่ามันอยากพูดอะไรเรารู้ลงไปทีลักษณะทีลักษณะอย่าไปนั่งจ้องนะนะนั่งจ้องแก้วเป็นไงแก้วออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เมื่อวานเหรออยู่บ้านดีๆหนีไปโรงพยาบาล ไปกันสองคนดีแล้วดูเจ๊ไว้นะยีภาวนาเป็นไงยี้มันเป็นยังไงไม่ดีดมันก็เป็นกันทุกคนเลยนะนอย่าลืมนา น, นนะคอยรู้อยู่ที่กายคขารู้อยู่ที่ใจแต่ไม่ใช่นั่งเพ่งนะรู้กายรู้ใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจรู้กายรู้ใจไม่ใช่เผลอไป คอยรู้สึกลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมเออต้องรู้สึกตัวไว้อย่างนี้รู้สึกเรื่อยๆนะคุณยาเป็นไงคุณเยาตื่นได้ดีแล้วรู้สึกแต่นะดีแล้วล่ะอ้าวนี่ลืมอีกแล้วเห็นไหมลืมตัวเองอีกแล้วแนวย่วพุทธก็ดีนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ทันมัน จิตใจเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยรู้ทันนะเนี่ยเราไม่รู้จะรู้อะไรเราก็รู้เห็นท้องฟองท้องยุบรู้สึกตัวไปอย่าใจลอยระวังอันเดียวอย่าไปเพ่งท้องรู้จักเพ่งยังเพ่งเนี่ยมันเกิดจกอยากปฏิบัติเสร็จแล้วก็เลยคอนเซนเทรตลงไปจ้องลงไปจ้องลงไปจ้องลงไปนะจิตลอยๆ ล, ล, ลงไปเกาะอยู่ที่เดียวเลยซึมซึมทื่อๆ น, นิ่ ง, งๆอยู่ที่เดียวเลย พิธรรมชาติถูกบังคับให้นิ่งๆแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราเห็นเลยเดี๋ยวท้องมันก็พองเดี๋ยวท้องมันก็ยุบนะแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของรูปของวัตถุธาตุก้อนนี้ยมันก็เพิ่มเข้ากับเพิ่มออกเห็นเหมือนกับเห็นวัตถุก้อนเนี้ก็เพิ่มไปกับเพื่อมมานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุที่มันไหวตัวไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเนี่ยจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราเลย มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาต่อมาเวลาดูไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่เข้ามาฝ่ายนามาทําแล้วมีความสุขแล้วมันพอใจนี่กิเลสเกิดแล้วรู้ว่าพอใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วพอใจรู้ว่าพอใจพอรู้ว่าพอพอใจก็พอใจดับไป แล้วก็มาไม่มีอะไรจะดูเราก็ดูรูปของเราต่อไปดูท้องที่เคลื่อนไหวเห็นาธาตุนี้มันเคลื่อนไหวต่อไปพอมารู้าธาตุที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเวทนาขึ้นมาอีกะอาจจะเมื่อยเมื่อยพอมันเมื่อยแล้วใจชักไม่สบายแล้วเมื่อยมันเป็นเวทนาไม่สบายเนี่ยไม่สบายใจเป็นสังขารแล้เป็นโทสะให้รู้ทันนะมันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยเมื่อยแล้วมีโทสะรู้ว่ามีโทสะ โทสะจะดับไปเลยมันดับเองไม่ต้องไปช่วยมันดับนะถ้าอยากดับ ม, มันไม่ใช่ของจริงเมื่อไหรสตริตัวจริงเกิดนะกิเลสมันจะดับอัตโนมัติพอไม่มีอะไรดูล้วก็กลับมาดูกายของเราต่อนะเห็นมันกระเพิ่มเข้ากระเพิ่อมออกไปเรื่อยๆแต่ว่าระวังอันเดียวอย่านั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งแล้วไม่เกิดปัญญาทื่อๆเปอย่างน้เองาั้นเราปฏิบัติมาแนวไหนนะถ้า เอาหลักของผู้เจ้าท่าเข้าไปแล้วทําไปได้ทั้งนั้นนะ่นะละยกเว้นบางแห่งที่สอนอะไรที่พู้เจ้าไม่ได้สอนเอา้าหยุดพ่อของตอใจลอยไปแล้วรู้สึกไว้ไ ร, รู้เป็นขณะขณะไม่รู้ตลอดเวลานะต้องเผลอบ้างนะถ้าใครรู้สึกตัวว่ารู้ตลอดเวลาเนี่ยต้องรีบมาปรึกษานะอาการหนักนะนะ ผิดธรรมชาติตใช่รู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะต้องเกิดสติขึ้นเองเช่นเราใจลอยไปรู้ว่าใจลอยเราตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะเนี่ยนะเี่ยใจลอยรู้ว่าใจลอยนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นนะสติมันเกิดเองสติที่จงใจทําให้เกิดเป็นของปลอมอา้าวแนวัดป่าแนวัดป่า หัดพุดโทโธหรือเปล่าหรือหายใจพ่อบอกว่าให้ให้รู้สึกตัวยนจะไม่ไม่ไม่จับกับโผ่อากือจงจย อ, อย่างนั้นก็ได้นะอย่างนี้เป็นวัดป่าแบบแอปพลายแล้วนะเปานแอปพลายไ ป, ไป อ, อีกรุ่นหนึ่งแล้วจะรู้สึกตัวไปเลยก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่าใจลอย รู้จักใจลอยใช่ไหมมันเผลอไปที่อื่นรู้จักเพ่งหรือยังเคยใหม่ๆเคยนีตอนนี้ไม่เพ่งแ<ม>ล้วเอออย่างนี้ใช้ได้ถ้าบอกตอนนี้ไม่เพ่งแ<ม><ม>ล้วอาการหนังอีกคนละเห็ น, นะนไหมตัณห์เยอะความรู้สึกของเราตอนนี้เราก็ยังตรึงความรู้สึกเอาไว้ดูออกไหอยางประคองมันนะตรงนี้ที่ยังพลาดอยู่นะเออนั่นแหละโยนทิ้งไปพยายามนั่นแหละ เราเรียกโค้ก็ว่าพยายามจริงๆคือโลภ ะ, ะอยากให้รู้ทันเลยเพอเราอยากปฏิบัติใช่ไหมเราก็เกิดการกระทํางานบางอย่างือประคองเอาไว้มีตัญหาก่อนคืออยากปฏิบัติแล้วก็เกิดการสร้างพบคือการประคองนะตรงเนี้ที่คลาดเคลื่อนนะของคุณไปดูตัวเนี้หลวงพ่อท่านสอนมาถูกต้องดีแล้วละ mm ่ะ hmm. นี่เรายัางรู้ของเรายัางคลาดเคลื่อนเรายัางบังคับยังอ ย, อยากอยู่ พอสังเกตได้ไหมที่หลวงพ่อบอกเนี้ยนะสังเกตได้เดี๋ยวได้ไปทําได้ไม่ยากหรอกคือถ้าท่านสอนให้รู้สึกตัวเราก็ดีแล้วรุ่นหลังๆหลว ง, ล ง, ลงพ่อเห็นเอาแต่หายใจหรือบอริกรรมไปเรื่อยๆเรเลิ้มเคลิ้ ม, ม, มไม่ดีนะจิตใจตเตลเิดเปิดเพิงฝันเห็นโน่นเห็นนี่ล้วบอกว่ามีนิมิตแล้วเอานิมิตมาคุยอวดกันอเออไม่ดีไมทําแต่สมถะก็มีประโยชน์นะ สัมปทเนี่ยต้องมีสติตลอดเลยทำสัมปะไม่ใช่ให้เคลิม้มนะต้องมีความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะรู้การกระทบนะถ้าไม่หายใจจะรู้สึกโดยที่ไม่ได้กําหนดอะไรเนี่ยของคุณมันจะไปรู้อิริยาบทสนะีมันจะไปรู้อิริยาบทสีเองนะมันจะกระดุกกระดิกจะเคลื่อนไหวอะไรนะก็ค่อยรู้สึกไวนะ้ใจลอยแล้วทราบไหม นี่ยหากรู้ลงไปอย่างนี้รู้ทันมันเราจะได้ตื่นขึ้นมาจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหนีไปอีกแล้วทราบไหมนะคอยรู้ทันอย่างนี้นะจําได้ไหมที่หลวงพ่อบอกตะกี้จำได้ไหมตรงที่มันไหลไปจําอาการของมันได้ไหมงินตกถ้ามันไหลอย่างนั้นนะรีบรู้ไวๆมันจะขึ้นมาเองแต่อย่ากลัวมันไหลนะถ้ากลัวมันไหลจะประคองไว้นี่ผิดสุดโตไปข้างบังคับ น, นี่ยเผือไปคิดแล้วทราบไหม แค่เนี้ยรู้ทันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะตื่นขึ้นมานะเดี๋ยจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแต่อยา่าไปบังคับไ ม, ไม่บังคับห้าม บ, บับงคับบังคับเนี่ยสุดโตกไปข้างบังคับเรื่องอัตตะกิลมัฐานโยโย่เคยได้ยินไหมเคยอ่านธรรมจักรมั้ยธรรมจักรกับประวัตินักสูตรครูเจ้าเริ่มต้นไม่สอนว่าที่ถูกให้ทํำยังไงท่านบอกว่าที่ผิดมีสองงานอย่าทํานะอันที่หนึ่ง การสุขาลิการกนิยคการที่จิตใจหลงไหลไปตามอารมณ์ภายนอกอันที่สองอัตตาเกเรณัฐานิโยโญการบังคับกดข่มตัวเองทําตัวเองให้ลําบากสองอันนี้ไม่ให้เอาเพราะฉะนั้นไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ใช่นั่งเพ่งเอาไวสงสัยมากไหมคุณผู้หญิงผมยาวเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยนะไม่ใช่สงสัยเราคิดเอาสงสัยรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ รู้ความรู้สึกของเราเองกิเลสมันจะหลอกให้เราคิดกิเลสจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวเช่นความสงสัยเกิดขึ้นก็เราก็รีบคิดใหญ่เลยเนี่ยเราเลิกรู้สึกตัวแล้วมัวแต่คิดกิเลสทำหน้าที่เดียวหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวโลภะเกิดราคะเกิดก็ไปคิดถึงคนที่เรารักเลิกรู้สึกตัวโทสะเกิดขึ้นมาก็ไปคิดถึงคนที่เราเกลียดเลิกรู้สึกตัว งี้กิเลสจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวมันกลัวเรารู้ธรรมรัวรู้กายรู้ใจเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นธรรมะพนน้นอำนาจของมันไปเอาหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สิกวัดป่า <c oughs> ครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนอย่างนี้นะ <c oughs> ไปนวดนว ด, นวดท่านใจลอยแวบโดนด่าเลยแต่ท่านไม่ได้ด่าเพราะว่าจะลงโทษนะท่านท่านบอกให้ แต่วิธีบอกของครูบาอาจารย์พระองค์ท่านดุนวนนวนอยู่ใจลอยแบบไม่เต็มใจจะนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกนะอ้าวยมทั้งหลายใครจะถามอะไรเชิญไม่ถามถือว่าเลิกน ะ, ะเชิญแยกย้ายกลับบ้าน